จริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วก็ยังอยู่ในช่วงของการทบทวนบารมีทั้ง10ที่เรียกว่าข้อปฏิบัติเนี่ยนะข้อปฏิบัติของบารมีทั้งสิบในขขึ้นโดยสรุปโดยสรุปนั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติในทานนะบารมีก็คือการทำความอนุเคราะห์ด้วยการบริจาคอุปกรณ์แห่งความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมากอันนี้ชื่อว่าการปฏิบัติในการให้ทาน ก็คือด้วยใจคําว่าอนุเคราะห์นี้ถามว่าสภาวะธรรมที่ที่เกี่ยวกับอนุเคราะห์นี่คืออะไรบอกว่าที่ใดพบคําว่าอนุเคราะห์ให้รู้เท่าว่านั่นคือกรุณาแนวคิดของกรุณานั้นแหละที่จะพึงอนุเคราะห์มุ่งเปลื้องให้สัตว์พ้นจากความทุกข์คือเห็นว่าเขานี้อยู่ในกองทุกข์ประสบอยู่กับความทุกข์มุ่งจะอนุเคราะห์ให้เขาพ้นจากทุกข์ด้วยการบริจาคอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องอํานวยความสุข ให้แก่สัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นลักษณะของการปฏิบัติในการสร้างฐานบารมีส่วนการปฏิบัติอยู่ในศีลก็คือเหตุเป็นต้นว่าการรักษาชีวิตของสัตว์อื่นการรักษาสมบัติของคนอื่นรักษาบุตรรักษาภริยาของผู้อื่นแล้วก็กล่าวคำพูดไม่ให้เกิดการแตกราวแตกแยกเป็นคาพูดที่น่ารักเป็นคาที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ การไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นการปฏิบัติอยู่ในศีลเพราะศีลก็คือการรักษาชีวิตของเขารักษาสมบัติของเขารักษาบุตรพระยาของเขาทําให้เขาไม่แตกร้าวกันให้เขาฟังแต่คําคําสัตว์คําจริงฟังแต่ถ้อยคําอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักคําพูดทุกคําเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เขา ไม่เบียดเบียงเขาให้เดือดร้อนโดยประการทั้งปวงอันนี้เป็นลักษณะของการปฏิบัติอยู่ในเศียทั้งหลายส่วนการประพฤติประโยชน์หลายอย่างด้วยการรับอมิตรและให้ทานเป็นต้นของสัตว์เหล่านั้นสำเร็จอันนี้ชื่อว่าการปฏิบัติด้วยเนคขมมะเนคขมมะของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็คือการที่ท่านนั้น ตั้งอยู่ในกุศลตั้งอยู่ในมหากุศลกระแสทานแห่งบุญกุศลหลั่งไหลเป็นไปอย่างไม่ขาดสายทีนี้เมื่อท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยมหากุศลอย่างมากความที่มุ่งจะอนุเคราะห์สัตว์อื่นเนี่ยนะถามว่าผู้ที่ตั้งอยู่ในกุศลจะสงเคราะห์คนอื่นได้อย่างไรบอกว่าสงเคราะห์โดยการรับอามิต h ของผู้อื่นรับวัตถุทานของผู้อื่น เพราะว่าการรับของผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายเพราะว่าพระโพธิสัตว์ก็คือนาบุญดังนั้นการรับวัตุรับปัจจัย4ี่ของสัตว์ทั้งหลายก็ด้วยใจที่อนุเคราะห์หวังประโยชน์หวังความสุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนข ม, มะของพระองค์เนี่ยสเร็จบริบูรณ์เต็มที่ก็ดูจากว่าท่านคือนาบุญเพราะท่านเป็นนาบุญที่สมควรรับวัตถุทานรั บ, รบ อ, อมิสทานรับรูปประานสัทธทานเป็นต้น เป็นผู้ที่สมควรในการรับปัจจัยสี่พันพระโพธศสัตว์ทั้งหลายก็คือเหมือนกับห้องพระเจดีย์ที่ควรกราบควรไหว้ควรลุกรับควรเชื้อเชิญควรทําอัญชลีกรรมสามีจิกรรมเพราะท่านก็เป็นนาบุญเนี่ยนะเพราะว่าท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณพันการที่ท่านจะช่วยเหลือคนอื่นก็ด้วยการ รับประโยชน์นะช่วยทําให้ประโยชน์แกสัตว์อื่นได้สําเร็จด้วยการรับตัดใจสี่แห่งสัตว์อื่นส่วนปัญญาบารมีนั้นข้อปฏิบัติอันหนึ่งก็คือความเป็นผู้ฉลาดในอุบายที่จะทําประโยชน์ให้สําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายก็คือคิดจะช่วยให้คนอื่นได้รับประโยชน์ได้อย่างไรประโยชน์โลกนี้ประโยชน์ต่างๆในเรื่องราวต่างๆจะช่วยจัดแจงช่วยจัดการให้สําเร็จลุล่วงไปได้อย่างไร ประโยชน์ในภพต่อไปจะช่วยเขาได้อย่างไรแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งจะช่วยเขาได้อย่างไรอันนั้นเป็นการปฏิบัติในปัญญาบารมีเพราะว่าลักษณะของปัญญาก็คือปัญญาที่เห็นประโยชน์ทั้งหลายนั่นเองส่วนการปฏิบัติในวิริยะบารมีก็คือความอุตสาหะความริเริ่มการไม่ท้อถอย ในการเจริญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไม่ท้อถอยในการให้ทานไม่ท้อถอยในการรักษาศีลไม่ท้อถอยในการเจริญเนคขมะไม่ท้อถอยในการเจริญปัญญามีแต่เพิ่มพูนบุญกุศลเหล่านั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนั้นเป็นวิริยะส่วนคติไม่พบก็เลยไปหาสัจจะว่าลักษณะของสัจจะก็คือไม่มีการล่อลวง ที่เรียกว่าทำอุปการะและก็สมาทานคือผู้ที่ดำรงอยู่ในสัจจานั้นไม่มีมายาไม่มีเล่กกลไม่มีเล่กเทที่จะทำให้ผู้อื่นเสื่อมประโยชน์เรียกว่าทำด้วยความจริงจังเนี่ยนะทำว่าเห็นเลยว่าประโยชน์ของเขาเนี่ยคืออะไรและจะช่วยทำให้เขาสำเร็จประโยชน์ได้อย่างไรซึ่งลักษณะล่อลวงนี่ก็คือเหมือนกับหยิบยื่นประโยชน์ให้ในตอนต้น แล้วทำลายผลประโยชน์ของเขาในตอนปลายอันนั้นเรียกว่ามายาหรือหลอกลวงส่วนอันนี้ไม่ใช่ลักษณะนั้นเพิ่มพูนประโยชน์เพิ่มแล้วเพิ่มเลยมีแต่เพิ่มประโยชน์ให้เขาโดยส่วนเดียวแล้วก็ไอาการเพิ่มประโยชน์เหล่านั้นไม่มีการพูดให้ผิดจากความเป็นจริงเช่นบอกว่าจะให้ก็ให้บอกว่าจะรักษาก็รักษาศีลเ น, นี่ยนะบอกว่าจะเจริญเนคคัมมะเจริญปัญญาพูดคาไหนก็เป็น คำนั้นเป็นความจริงเป็นความแท้อันนี้เป็นการปฏิบัติอยู่ในสัตว์จะทั้งหลายส่วนอธิษฐานท่านบอกว่าแม้ตกอยู่ในความพินาศก็ไม่หวั่นไหวในการทำอุปการะคือหมายคืาว่าถึงตัวเองจะตกทุกข์ได้ยากได้รับความลำบากเช่นใดก็ไม่ท้อถอยในการเจริญกุศล คล้ายๆอย่างว่าไม่ใช่พระโพธิสัตว์นะอย่างอนาถบินทิกาเศรษฐีเนี่ยบางคราวนี่ก็ยากจนแต่ขนาดนั้นก็ไม่คิดที่จะเลิกมีอุปการะต่อสัตว์ทั้งหลายไม่คิดที่จะเลิกให้ ท, นทานทั้งๆที่ตัวเองนี่ก็ตกยากเนี่ยนะจากคนที่มีมากมายมี8ปดสิบโกดแทบจะเรียกว่าเหลือไม่เท่าไรแล้วเนี่ยนะทรัพย์สินเนี่ยเหลือไม่เท่าไรแล้วมีมากมายเพราะว่าท่านทำบุญเนี่ยนะเฉพาะเกี่ยวกับเชตวันโดยการก่อสร้าง การฉลองและซื้อที่เนี่ยหมดไปห้าสิบี่โกดแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไออุปถากพระภิกษุสั ม, มนเนนแล้วก็โรงทานเนี่ยแต่ละวันเนี่ยวันละหลายแสนเนี่ยนะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยทำบุญวันละหลายแสนทั้งต่อคนยากไร้เนี่ยนะที่ได้ฉายาว่าอนาถก็คือก้อนข้าวแห่งคนอนาถาทั้งหลายก็เลี้ยงคนอนาถามากมายแล้วก็เลี้ยงพระภิกษุสอ์โดยเฉลี่ยก็ประมาณอย่างน้อยวันละห้าร้อยรูปขึ้นไปเนี่ยนะทัาน บนเหล่านั้นเนี่ยแม้กระทั่งท่านอย่างนั้นเนี่ยนะท่านก็ไม่คิดจะท้อถอยถึงจะยากจนบ้างเพราะเหตุผลว่าทรัพย์ที่ฝังไว้ในในน้ำเนี่ยน้ำมันพัดไปสิบแปดโกรธแล้วก็พวกยืมไปอีกสิบแปดโกรธก็ไม่ยอมมาคืนสะทีหนึ่งก็เลยถึงเรียกว่าทรัพย์นี่ร้อยรอลงไปมากถึงตกทุกข์ได้ยากขนาดนั้นก็ไม่เลิกที่จะเจริญกุศลแม้แต่เทวดามาบอกว่าเลิกทากุศลเถอะก็ไม่ยอม เพราะว่าจิตใจนั้นไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในการให้ทานเนี่ยนะไม่หวั่นไหวในการที่จะช่วยอุปการะให้แก่สัตว์ทั้งหลายพันถึงตัวเองจะเดือดร้อนถึงตัวเองจะทุกข์จะยากจะลำบากก็ไม่หวั่นไหวที่จะให้ทานไม่หวั่นไหวที่จะรักษาศีลเนี่ยนะอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหลายชาตินี่เราจะเห็นเลยว่า บางชาติเนี่ยถึงท่านจะทุกข์ร้อนลำบากขนาดไหนท่านก็ไม่ทิ้งศีลเพราะท่านเห็นคุณประโยชน์ของศีลอย่างเนคขมมะเนี่ยนะที่ท่านออกบวชได้เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านกันดานปัจใจสีเดือดร้อนอผิดหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ไม่ใช่แต่ท่านก็น้อมไบเพื่อเนคขมมะสั่งสมปัญญากระหายความรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่เรียกว่าคนจบเจนจบในวิชาการความรู้แต่ก็ยินดีที่จะ ใฝ่รู้าเรียกว่าคนเก่งที่สุดในยุคนั้นอยู่แล้วแต่ก็ใฝ่ในความรู้ไม่อิ่มในความรู้อยู่ตลอดเวลาพราะนั้นอธิษฐานคำว่าอธิษฐานก็คืออธิษฐานตั้งไว้เพื่อจะให้ทานรักษาศีลเจริญให้คำมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะว่าทุกอย่างทําด้วยความมั่นคงไม่หวั่นไหวเพื่อช่วยเหลือสัตว์อื่นให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ทั้งหลายนะทำทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์แกสัตว์อื่น เพราะอะไรเพราะคิดถึงแต่ประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลายอันนั้นเป็นเมตตาว่าสัตว์ทั้งหลายควรได้รับประโยชน์เช่นใดบ้างนีวันวันหนึ่งถามว่าความคิดของท่านก็คือว่าเป็นคนที่คิดว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายควรได้รับประโยชน์อะไรสัตว์ทั้งหลายควรจะได้ประโยชน์อย่างไรเมื่อไหร่เป็นต้นก็คือมีแต่ความคิดว่าทําำไฉสัตว์อื่นจะได้รับประโยชน์และได้รับความสุขทั้งร่างกายและจิตใจประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและ ประโยชน์อย่างยิ่งอันนี้เป็นการปฏิบัติในเมตตาส่วนการปฏิบัติในอุเบกหาก็คือไม่คํานึงถึงความผิดปกติของสัตว์ทั้งหลายคือจิตใจนั้นมั่นคงะนะไม่ผิดปกติไม่ว่าความมีอุปการะเนี่ยนะกับความเสียหายของสัตว์เหล่านั้นคือถึงสัตว์ทั้งหลายมาให้อุปการะคุณมากหรือมีผู้มาสร้างความเสียหายให้มากท่านก็ไม่คํานึงถึงเขาเรียกว่าวางใจได้ แต่ถามว่าท่านเป็นคนอักตันยูเป็นต้นใช่ไหมบอกไม่ใช่แต่หมายว่าจิตใจไม่ผูกพันเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยความไม่ผูกพันในสิ่งที่มีอุปการะและก็ไม่พยาบาทในสิ่งที่สร้างความเสียหายให้พระโพธิสัตว์ปรารบการเจริญกุศลเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณอย่างนี้ด้วยประการชนนี้ก็เป็นผู้สะสมบุญยะสัพพะระเนี่ยนะสั่งสมบุญ บุญก็คือบุญยากิริยวัตถุทั้งเสพนะไม่ว่าจะเป็นทานเสนภาวนาการอ่อนน้อมการช่วยเหลือการอุทิศ ส, ส่วนบุญการอนุโมทนาบุญการแสดงธรรมการฟังธรรมปรับทัศนคติที่เรียกว่าทิฏฐิชุกกรรมเนี่ยนะทำความเห็นให้ตรงเรียกว่าสะสมบุญยากิริยวัตถุและสะสมปัญญาพิจารณาฐานะอาฐานะพิจารณากุศลอกุศลพิจารณา เหตุผลเหตุผลเหตุผลเนี่ยนะซึ่งลักษณะของปัญญาก็คือการพิจารณาเหตุกับผลที่เรียกว่าฐานะกับอัฐานะแยกรู้ว่าผลอันนี้มาจากเหตุอะไรเหตุอันนี้จะให้ผลต่อไปอย่างไรพิจารณาเหตุทั้งใกล้และเหตุไกลเนี่ยนะว่าผลที่เกิดมาเหตุใกล้คืออะไรเหตุไกลคืออะไรเหตุที่กําลังทําอยู่นี้ผลที่จะเกิดขึ้นใกล้ๆคืออะไรที่จะมีต่อไปในอนาคตระยะยาวนี่คืออะไรเป็นคนที่ไม่สับสนในเหตุและ ผลอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรแม้กระทั่งกุศลและอกุศลทั้งหลายพันสะสมความรู้ความเข้าใจอั น, นิหาประมาณไม่ได้สะสมบุญหาประมาณไม่ได้สะสมปัญญาหาประมาณไม่ได้เป็นที่รองรับเสมอของพระมหาโพธิสัตว์ผู้อนุเคราะห์สรัรพสัตว์เนี่ยนะผู้มีใจกรุณาหวังที่จะช่วยปลดเปลื้องให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ให้สัพพสัตว์ทั้งหลายประสบแต่ ความสุขและความเจริญอันนี้เป็นการปฏิบัติในบารมีเหล่านั้นส่วนรายละเอียดในการจำแนกบารมีเนี่ยนะบารมีจริงก็เป็น Jahr บารมีธรรมดาเป็นอุปปารมีและเป็นปรมาถารมีเนี่ยนะบารมีก็ธรรมดาก็นับสิเป็นอุปปารมีอุปะแปลว่าใกล้เข้าไปอีกเนี่ยนะใกล้เข้าไปอีกยิ่งใหญ่เพิ่มอีกเรียกว่าอุปปารมีอีกสแล้วก็ปรมาถารมีอีกในบารมีเหล่านั้นเนี่ย อาจารย์ทั้งหลายก็วิจัยไว้ประมาณเจอาจารย์ด้วยกันท่านเจอาจารย์เหล่านั้นก็ไปอ่านเอาเองท่านเข้ามาก็จะอ่านเฉพาะหน้าหกรพูดถึงลักษณะของบารมีตรงนี้เห็นง่ายดีชัดเจนดีท่านบอกว่าอันหนึ่งการบริจาคบุตรภริยาอุปกรณ์มีทรัพย์เป็นต้นอันนี้เป็นฐานบารมีบริจาคบุตร บริจาคภรยากับไม่ใช่ย่าภรรยานะหมายว่าสละให้อะนะสละให้เป็นทานเนี่ยเป็นต้นเนี่ยด้วยบุญอันนี้เป็นทานบารมีส่วนสละอวัยวะอันนี้เป็นทานะอุปปารมีการบริจาคชีวิตของตนเป็นทานอันนี้เป็นปรมัตถะบารมีคิดง่ายๆว่าของนอกตัวนี้เป็นทานบารมีหมดเข้ามาภายในในสรีระเนี่ยนะเช่นบริจาคอวัยวะไม่ใช่บริจาคผมนะ จำเริญพระเกศาตัดผมไม่ใช่บริจาคแคนั้นนะเสียงเงินอีก่งต่างหากนะแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าบริจาคตาบริจาคอวัยวะบริจาคแขนขาหัวใจตับไตเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าบริจาคอวัยวะเป็นฐานะอุป ป, ปัฏมีส่วนการบริจาคชีวิตของตนเนี่ยนะสละชีวิตให้เป็นทานอันนั้นเป็นฐานะปรมาถปารมีรมส่วนศีลเนี่ยนะศีลบารมีก็คือบอกว่ามีอยู่3มอย่างด้วยการไม่ก้าวล่วงเหตุแม้ทั้ง3อย่าง มีบุตรและภริยาเป็นต้นของสัตว์อื่นเนี่ยนะก็คื อ, อจะด้วยเรียกว่าเพ่งสละอะไรนะสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเนี่ยนะหลักการง่ายๆว่าสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่ถ้าจะต้องรักษาศีลจะต้องสละแม้กระทั่งทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาศีลทั้งหลาย เห็นทรับเนี่ยเป็นเหตุให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไหมตัวทรับจริงๆทําให้เป็นพระพุทธเจ้าไหมเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีทรัพย์ใช่ไหมมหาพูดภายนอกก็บอกไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีอวัยวะใช่ไหมบอกไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะชีวิตใช่ไหมบอกไม่ใช่เพราะฉะนั้นท่านจึงสละรัพย์อวัยวะพร้อมทั้งชีวิตเพื่อรักษาศีลเพราะศีล เ, เป็นเหตุแห่งโพธิญาณนะครับ ส่วนเนคขมะบารมีนั้นคืออะไรคือการเป็นทั้งบารมีธรรมดาอุปบารมีและปรมัาถารมีก็ด้วยการตัดอะไรในวัตถุทั้งสมอย่างเหล่านั้นตัดอะไรในทรัพย์ออกไปตัดอะไรในบุตรภริยาตัดอะไรในอวัยวะตัดอะไรในชีวิตแล้วเจริญเนคขมะเจริญกุศลอย่างยืดยาวโดยไม่ท้อแท้ท้อถอยอันนั้นก็เป็น เนคข ม, มะบารมีคิดง่ายๆว่าถ้าเนคข ม, มะแค่สละทรัพย์ภายนอกเป็นเนคข ม, มะบารมีถ้าถึงกับแมมยอมเสียอวัยวะเลยเนี่ยนะเพื่อรักษาเนข ม, มะต่อไปนี่ก็เป็นเนคข ม, มะอุปปารมีใครเรียกว่าทุ่มเทด้วยชีวิตอันนี้ก็เป็นเนคข ม, มะปรมาภบาร ม, ารมีส่วนปัญญาบารมีนั้นก็คือมีปัญญาที่สามารถตัดตัณหาในวัตถุอุปกรณ์ทั้งหลาย สามารถที่จะตัดชันธนาคาในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะ ท, ทั้งหลายเป็นต้นได้อันนั้นเป็นปัญญาบารมีสามารถมีปัญญาถึงขนาดสละอวัยวะออกไปได้อ น, นั้นเป็นปัญญาอุป ป, ปารมีถึงกับสละชีวิตออกไปได้อนั่นแหละก็เรียกว่าปัญญาปรมัภบารมีเราว่าตัดสินใจทุกอย่างเพื่อประโยชน์และก็ มีให้ทําลายประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายปัญญาเหล่านั้นเนี่ยนะที่สละอุปกรณ์สละวัตถุออกไปสละอวัยวะออกไปถึงกับย่อมยอ ม, ยอมทุ่มเทสละชีวิตเพื่อตัดสินใจเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายมีให้สัตว์ทั้งหลายเสียหายไปในผลประโยชน์ก็คือเป็นผู้ที่รักษาผลประโยชน์ของสัพพะสัตว์ทั้งหลายนั่นเองส่วนวิริยะบารมีของพระโพธิสัตว์ก็คือการพยายามบริจาค ประเภทตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะเพียรมากที่จะให้ทานเพียรมากที่จะรักษาศีลเรียกว่าเพียรที่จะเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นโดยไม่อะไรในอุปกรณ์อวัยวะและชีวิตคิดง่ายๆว่าบารมีธรรมดาก็คือเรียกว่าวัตถุภายนอกอุปปารมีก็ถึงกับยอมอวัยวะถ้าประมาดก็คือยอมชีวิตเนี่ยนะสละชีวิตชีวิตแล้วชีวิตเล่าเขาบอกว่ า, วาเลือดของ ก็บางคนเขายกย่องว่าโอเลือดของบางท่านเนี่ยนะช่วยเหลือผู้อื่นแต่นี่ไม่ใช่นะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยสัตว์ทั้งหลายทั้งในแง่ของวัตถุทั้งในแง่ของอวัยวะเนื้อเลือดผมขนเล็บสรีระร่างกายทั้งหมดพร้อมทั้งชีวิตเพื่อสัพพะสัตว์ทั้งหลายถ้าจะตั้งง่ายๆบอกว่าชีวิตของพระพุทธเจ้าเพื่อสัพพสัตวทั้งหลายเนี่ยนะกองทุกข์ของพระพุทธเจ้าพระองค์รับทั้งหมดเพื่อจะช่วยสัพพะสัตว์ทั้งหลายแต่ช่วยทําอะไรตกลงว่องช่วยอะไรมั่ง ก็ช่วยบอกทางก็เป็นบุญเป็นกุศลหนักเขาเรียกว่าช่วยทำสิ่งที่มันซับซ้อนเป็นที่ตั้งแห่งความสับสนคลี่คลายแง่ปมโดยทั้งหมดได้แล้วก็เขาเรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกชี้สุขเกรมสารน่ะนะอย่างที่เราสวดๆวดกันนั่นแหละนั่นเป็นลักษณะกิจของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือเพื่อจะได้มีปัญญาแล้วมาชี้แจงบอกกล่าว แต่งตั้งเปิดเผยในสิ่งที่ลี้ลับเร้นลับเข้าใจยากให้สัพพะศาทั้งหลายได้เกิดความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะนะส่วนคันติบา ร, รมีก็คืออดทนต่อผู้อื่นที่เขาทําอันตรายต่อทรัพย์ของตัวทําใจยังไงได้โดยที่ไม่โกรธอะ่ะเมื่อคนอื่นทําลายทรัพย์ของตัวแต่คําว่าไม่โกรธในที่นี้ไม่ได้แปลว่าโง่เขางมงายไม่ใช่นะ คือคือไ ม, ไม่ไม่โกรธะนะไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทไม่ผูกอาฆาตต่อผู้ที่มาทําลายทรัพย์มาทําลายอวัยวะมาทําลายชีวิตของตัวเองอยู่ด้วยขันติเนี่ยนะอยู่ด้วยขันติแต่ก็อย่าลืมว่าขันตินี้เป็นบา ร, รมีข้อที่เท่าไหร่ข้อที่หนะผ่านปัญญาบา ร, รมีมาแล้วเนี่ยนะคือในฐานะบางอย่างก็ต้องเจริญขันติอย่างเดียวเพาะมันทาอะไรไม่ได้ต่อไปบอกว่าสัจจะบา ร, รมีก็คือการ ไม่สละสัจจะหมายความว่าไม่ยอมเสียสัตว์จะด้วยเพราะอุปกรณ์ทรัพย์ก็ตามไม่ยอมเสียคําสัตว์เพราะอวัยวะไม่ยอมเสียคําสัตว์เพราะชีวิตถึงเราสละชีวิตเราก็ไม่ยอมสละสัจจะเลยนั่นเป็นสัจจะบา ร, รมีของพระองค์อย่างเช่นในมหาสุตโสมเนี่ยนะบอกว่าจะกลับมาให้โพลิศาสข่าก็กลับมาเคแต่ว่าโดยที่สุดก็กมาม า, มาเพื่อจะให้เขาฆ่านะรู้นะ เพราะรับปากแล้วอ่ะนะรับปากแล้วว่าจะมาให้ข่าท่านก็ยอมมาจนจนคนที่จะฆ่าบอกว่าท่านนี่ไม่รู้จักมายากษัตริย์มายากษัตรเนี่ยนะก็ที่เรียกว่าหลอกลวงเพื่อตัวเองพ้นภัยเมื่อพ้นภัยเสร็จแล้วใครจะกลับมาหาภัยก็บอกว่าคนที่รักษามายากษัตริย์เหล่านั้นก็ตกนรกอสินะเขาบอก็ยอมไม่ได้เนี่ยนะนะคือด้วยเหตุผลโดยประการต่างๆท่านยอมสละ อุปกรณ์ออกไปสละอวัยวะออกไปยอมสละชีวิตเพื่อรักษากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะตามคำที่ได้แปลงได้พูดไว้แล้วและอีกอย่างหนึ่งอย่างทุกชาติที่ท่านยอมสละชีวิตได้เนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยนะบอก้ยทุกอย่างทุ่มเทด้วยชีวิตสละด้วยชีวิตทำไมท่านทำได้เรารู้ไหมคิดไวมไหมทำไมท่านทำได้สละชีวิต คือท่านเป็นคนคิดแบบนี้ว่าเออคนเราเนี่ยนะไม่ตายตอนนี้วันหลังก็ตายถ้าตายตอนนี้แล้วได้บุญกับตายตอนนั้นตายฟรีเนี่ยนะอันไหนมันน่าน่ า, น, า, น, าน่าทำมากกว่ากันบางอย่างเนี่ยสมมติว่าโอ้ยเหนื่อยแทบตายไปเล่นกีฬาหรือเล่นบางเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็เหนื่อยแทบตายเหมือนกันนั่นแหละก็ไม่เห็นได้บุญได้กุศลก็เหนื่อยกันแทบตายแล้วทาไมมันเหนื่อยในการเจริญกุศลทําไมทําไม่ ไ, มได้เป็นต้นเนี่ยนะก็คือถามว่า ยังไงมันก็ตายวันยังค่ําแต่ตายอยู่ด้วยบุญกุศลกับตายแบบไร้คุณค่าเนี่ยนะควรจะตายแบบไหนเพราะนนั้เนื่องจากท่านฉลาดคิดท่านคิดเป็นท่านก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรอาวรณ์อะไรกับชีวิตคือท่านเนี่ยเป็นนักบุญเมื่อท่านเป็นนักบุญเนี่ยท่านจะไปห่วงอะไรกับแค่ตายเท่านั้นเพราะตายยังไงท่านก็ไปดีท่านบอกว่าข้าพเจ้าละลึกถึงความชั่วตัวเองไม่ได้เลยแล้วความดีข้าพเจ้าก็ทํามาเยอะแยะไปหมด ไม่ว่าจะไล่บุตรภรยาข้าพเจ้าก็เลี้ยงดูมาอย่างดีพ่อแม่ก็เลี้ยงดูมาอย่างดีย่าจกวันนี้พกพระเนจรข้าพเจ้าก็ให้ทานอย่างดีศีลก็รักษามาเป็นอย่างดีสมณพราหมณ์อาจารย์เป็นที่นาบุญทั้งหลายก็ทํามาเป็นอย่างดีไม่รู้จะไปอะไรอาวรณ์อะไรกับชีวิตรู้ว่าชาติหน้าก็สุขติอยู่ดีมั้นก็ได้อกลับมาทําบุญต่อยก็ได้ไม่น่าหนักใจอะไรเลยเพรัะทุกอย่างก็เลยสละทั้งอาอุปกรณ์ออกไปสละอวัยวะสละชีวิตเนี่ยนะ อย่างอุปกรณ์ที่ท่านสละออกไปได้เนี่ยทำไมท่านยอมสละออกไปได้ก็เพราะท่านมองว่าเป็นการลงทุนเนี่ยนะอย่างคนที่ลงทุนเนี่ยถามว่าลงทุนไปเยอะแยะมากมายเขาเสียดายทุนไหมคนที่กล้าลงทุนจริงๆเขาเสียดายทุนไหมคนที่รู้กำไรจริงๆเลยนะไม่เสียดายทุนฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่อะไรในอุปกรณ์ทั้งหลายไม่อะไรในอวัยวะไม่อะไรในชีวิตเพราะท่านมองว่าคือการลงทุน ขณะเดียวกันเนี่ยนะบุญมันก็ให้ผลกับท่านอยู่แล้วเพราะท่านจึงเป็นคนที่เสวยสุขอันหาประมาณไม่ได้ในโลกนี้เป็นคนที่ได้รับความสุขมากมีความสุขจากทุกอย่างทั้งหมดเพราะท่านทำมามากและท่านได้อุปนิสัยเรียกว่าเป็นการสร้างอุปนิสัยให้แก่ตัวเองเพื่อโพธิญาณเรียกว่าทากุศลทุกอย่างไม่ใช่ทาเอาเอาผลของกรรมนะแต่ทาเอาอุปนิสยธรรม เอาอุปนิสยธรรมคุณธรรมที่เจริญทั่วๆไปเพื่อโพธิยานคี่เรียกว่าคนสร้างบา ร, รมีเรียกว่างนะั้นแม้แต่ภาษาอื่นๆเขาก็ยังใช้ลักษณะเดียวกัน่ก็คือสร้างอะไรนะสร้างฐานให้ตัวเองเป็นอย่างดีเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้สำเร็จนนะส่วนอธิษฐานบา ร, รมีก็คือการอธิษฐานแบบไม่หวั่นไหวในคราวที่อุปกรณ์พินาตอวัยวะพินาหรือชีวิตพินาเนี่ยนะเรียกว่า ไม่ยอมทำลายทานของตัวเองให้เสียหายเรียกว่าเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจในทานศีลเนคขมมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอยู่เสมอเรียกว่าสามารถทาให้บริสุทธิ์ทาให้อธิษฐานไม่กาเริบใจไม่กําเริบเมื่อให้ทานใจไม่กําเริบเมื่อรักษาศีล ไ, ไม่กําเริบเมื่อเจริญเนคขมมะคิดง่ายๆภาษาไทยเรียกว่าไม่เคยเสียใจในภายหลัง ในสิ่งที่ทำอะไรลงไปไม่นึกเสียใจในภายหลังเลยในสิ่งที่ทำไปทุกชนิดระวังัันไม่มีเรื่องเก็บมาเศร้าความลังโอ้ยเล่าความลังแล้วก็เศร้าใจเป็นตันไม่มีมีแต่ว่าสมหวังอย่างเดียวแบบดีแล้วแม้ทำน้อยไปหน่อยเนี่ยนะมีแต่ความคิดลักษณะเนี่ยทำดีแล้วแต่เสียดายว่าทำน้อยไปหน่อยทำไม่พอรู้สึกว่าพร่องอยู่ในจิตในใจ อ่ะนะมันไม่คล้ายๆว่า ด, ดื่มน้ําที่ดื่มเนี่ยมันดื่มดีแล้วเป็นน้ําชั้นดีแต่แม้ดื่มน้อยไปหน่อยก็จะยังรู้สึกกระหายอยู่อั้นพระโพธิสัตว์นั้นก็คือกลุ่มคนที่กระหายบุญอยู่ตลอดนั่นแนหะไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอดื่มไปเท่าไหร่ก็ยังกระหายเหมือนเอาน้ําไปเทลงในทะเลเนี่ยนะเทะไปเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่พอถมไปเถอะเอาน้ําไปถมทะเลให้มันเต้มให้มันทะลักให้มันท่วมไปหมดเลยบอกทําไม่สําเร็จฉั้นใด ใจของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่สะสมบุญก็ฉะนั้นมีแต่รู้สึกว่าบกพร่องในกุศลอยู่ตลอดเวลาคะนั้นจึงเป็นคนที่เรียกว่าตะกุยตะกายตะเกียกตะกายในการเจริญกุศลอย่างไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเนี่ยนะแล้วต่อไปแต่ก็อย่างทุกอย่างนะไม่ละเมตตาในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าใครที่มาทาลายทรัพย์ของตนก็ยัง ก็ยังสงสารเขาอีกอยู่ดีมีเมตตาต่อเขาเาเรียกว่าคิดให้ประโยชน์แม้แต่ผู้มาทําลายวัตถุของตนคนเข้ามาทําลายเราเนี่ยจะช่วยเขาได้อย่างไรไอซับเนี่ยถ้ามันจะเสียบ้างอะไรบ้างก็ถ้าดูแลไม่รอบครอบบริหารไม่ดีมันก็เสียหายอยู่แล้วล่ะแต่จะช่วยคนที่มาทําลายรั์เราได้อย่างไรเพิ่มประโยชน์ให้คนที่มาทําลายรั์เราได้อย่างไร เพิ่มประโยชน์ให้คนที่มาทำลายอวัยวะเราได้อย่างไรช่วยคนที่เข้ามาทำลายชีวิตของเราให้เขาเจริญได้อย่างไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ละเมตตาแม้แต่ผู้ที่เข้ามาทำลายจะ ก, กล่าวไปใหญ่ถึงคนที่ไม่มาทำลายเอาอุปกรณ์ไม่มาทำลายอวัยวะไม่มาทำลายชีวิตเพราะใจน้อมไปเพื่อประโยชน์และความสุขต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอ จริงก็มีผู้พวกเราทั้งหลายนี่ก็เป็นคนไม่มีบุญไม่น้อยนะมีคนที่เขาปรารถนาดีกับเราขนาดนี้นะถึงเราจะยังไงจะเลวขนาดไหนก็ยังมีคนที่เขาเมตตาต่อเราเสมอก็คือพระพุทธเจ้านี่นะด้วยพระทัยที่บริสุทธิ์แต่เมตตากับเราก็ไม่ได้แปลว่าพระองค์มารับกรรมทานเรานะแปลให้ดีนะเดี๋ยวก็เข้าใจผิดเดี๋ยวเป็นไรทำไปเดี๋ยวพระพุทธเจ้าใช้ให้คนละประเด็น เขาว่าเมตตากับเราหวังประโยชน์กับเราแต่สิ่งที่เราทำสมบัติส่วนตัวคําบองั้นนี้สุดท้ายก็คืออุเบกขาบารมีท่านได้ความที่ตนเนี่ยเป็นกลางในสัตว์และสังขารทั้งที่มีอุปการะและผู้มาทำลายคือคิดง่ายๆว่าวถ้าเจริญอุเบกขาจนประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยนะพระราหูนกับพระเทวทัตไม่ต่างกันโจนองคุลิมานกับพระราหูก็ไม่ต่างกันเนี่ยนะ ก็คือสัตว์ทั้งหลายไม่ต่างกันสรีระของพระองค์กับช้างนาลาคิริงก็น่ามีเมตตาเท่ากันคือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าเออนี่ยคนนี้พิเศษหรือคนนี้ศัตรูเราเป็นต้นไม่มีว่าเป็นคนพิเศษหรือเป็นคนที่เป็ผู้ทําลายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะใครเป็นคนสอนว่าอาเสวนาจะพาลานังบันตินันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังบอกใครสอน พระพุทธเจ้าสอนในความรู้สึกลึกๆจริงๆแล้วไม่ต่างกันแต่ไม่ได้แปลว่าไปอยู่กับคนเลวก็อยู่ได้อยู่กับคนดีก็อยู่ได้ไม่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสไว้เลยว่ามหาสมุดไม่อยู่ร่วมกับซากศพชัน้นใดผู้ที่มีศีลในธรรมวินัยนี้ก็ไม่อยู่ร่วมกับคนทุศีลชัน้นนั้นก็สมุดฝั่งนี้กับฝั่งโน้นว่า ไกลกันแต่ว่าธรรมของคนพาลและธรรมของสัตว์บุ ร, รุษไกลกันยิ่งกว่านั้นอย่าคิดว่าท่านจะเกลือกกล้วกับคนพาลใจของท่านบอกว่าไม่ต่างกันในความรักความชิงชังเป็นต้นแต่ไม่ได้แปลว่าท่านคลุกคลีเกลือกกลั้วอยู่กับคนบาปทั้งหลายเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงทําใจในเป็นกลางในวัตถุหรือในสัตว์ทั้งหลายในคนทั้งหลายในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งที่มีอุปการะและคนที่มาสร้างความเสียหายให้แก่วัตถุ ข, ของท่าน อวัยวะของท่านหรือสรีระของท่านชีวิตของท่านเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นที่เรียกว่าการจําแนกบารมีทั้งที่เป็นอุปปารมีอขออภยัยบารมีธรรมดาอุปปารมีและประมัาถารมีกําหนดจดจําง่ายๆว่าบารมีทั่วไปก็คือปรารบที่ข้าวของนอกตัวเรีย่ว่านอกนอกสรีระเนี่ยนะรวมทั้งแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่หุ้มตัวไล่ออกไปข้างนอกหมดเลยแม้กระทั่งศัตว์อื่นคนอื่นทั้งหมดอันนี้ก็เรียกว่า เป็นวัตถุแห่งบารมีเท่านั้นพอเริ่มเข้าเนื้อเข้าเลือดเข้าเอ็นเข้ากระดูกเมื่อไหร่อันนี้เป็นอุป ป, รปารมีแต่ถ้าทำลายอายุทำลายชีวิตเมื่อใดนั่นแหละเป็น ป, ร ม, ปรมัทปาบารมียอมสิ้นอายุยอมสิ้นชีวิตยอมทำลายอายุทำลายชีวิตนั่นแหละระดับปรมัทปาบารมีโอ้ยของเราแค่ยังใจให้เลื่อมใสก็ยังไปดีแล้วไงนั่นนะ